อัจเริพรพวกเราทุกคนเดือนนี้เดือ น, นกุมภาใช่ไหมกุมภาหลวงพ่อมันนึกได้นั่งรถมาหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลงครั้งแรกเลยหนกะกุมภาปีสองพันหรอยยี่สิบห้าสามสิบปีพอดีเลยนึกถึงหลวงปู่เหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วยวันนี้เทศธรรมะของหลวงปู่ให้ฟัง หลวงปูด่ดูนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากท่านสร้างบารมีมาทางจะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเพรน้นบารมีมากกว่าคนที่มุ่งเป็นสาวกปกติแต่เพราะมุ่งไปทางพระประเจกเนี่ยท่านเลยมีข้อจํากัดในการเทศท่านสอนพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคําสอนของท่านจะสั้นๆ ประโยชน์หนึ่งสองประโยคให้ท่านมาขึ้นธรรมารเตชท่านไม่ทำฉะนั้นเวลาเจอท่านนะท่านไม่ค่อยพูดเลยนานๆพูดคําเดียวพูดประโยคนหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านสอนนะอัศจรรย์มากคนไหนทําตามที่ท่านสอนก็จะเจริญอยากรวดเร็วเลยคนไหนไม่เชื่อท่านที่ท่านสอนให้ เวลาสอนนี่ท่านจะสอนเฉพาะตัวเนี่ยเราเข้าไปกราบเราไปข อ, อกรรมาฐานะถ้าไม่สอนท่านจะนั่งเงียบไปเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะึงพอท่านออกจากสมาธิท่านก็จะสอนให้ประโยคสองประโยคเทนะ่านั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าจะไปถามว่าหลวงปู่ดูลสอนอะไรนะไปถามลูกศิษย์ตีละคนนะตอบไม่เหมือนกัน ตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกันเ น, นไม่มีใครรวบรวมเอาไว้ได้หมดด้วยว่าท่านสอนใครอย่างไงบ้างที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมาในประวัติท่านอะไรตอนอะไรนะก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งสองคนให้นเขียนท่านนั้นเองหลวงพ่อไปดูดูก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรานี่หลวงพ่อคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะ รู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรอง ร, อ ง, รองจากท่านนะที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์รวมทั้งพระหนุ่มเนนน้อยอะไรนี่ที่อยู่กับท่านนะเวลาไปก็ไปคุยกันว่าหลวงปู่สอนอะไรสอนอะไรสุดท้ายเลยพบอย่างหนึ่งว่าหลวงปู่เนียสอนธรร ม, มนะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ท่านสอนแต่ละคนนะเท่าที่จะทำได้เงี้ยไม่เหมือนกันหรอกธรรมะท่านมีตั้งแต่เรื่องของสมถะกรรมฐานให้ทำสมถะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีท่านสอนทำสมถะท่านสอนตามจริตนิสัยอีกอยังมีพระอง์ในชื่อหลงพ่คืนหลงพระคืนเนนะี่ยยังไม่ได้บวช ไม่เรียนเนี่ยหลวงปู่ดุล่ะชอบขึ้นไปภาวนาอยู่หินมะเป้งกับหลวงปู่เทศมีกล่าวหนึ่งไปขอกับฐานหลวงปู่ดุลบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวนี่หลวงพ่อเกิดท่านได้ยินน่ยว่าก่อนที่จะท่านจะเข้าไปถามเมื่อคนอื่นไปถามก่อนนะหลวงปู่ให้พี่นาร่างกายทั้งร่างกายเลยของท่านเนี่ยให้ผมเส้นเดียวนะน้อยใจนะหลวงปู่สอนเราน้อยนอยนะคล้ายหลวงปู่ลําเยียง ให้กรรมฐ า, านเหล่านี้เดี๋ยวผมเส้นเดียวอะท่านไม่เอาเลยไม่ยอมทําไปอยู่หินมักเป้งมาภาวนาจนออกพรรษาหลายเดือนไม่ได้อะไรจิตก็ไม่สงบเนียกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชกลับมาอยู่บ้านก็ภาวนาต่อไองจิตก็ไม่รวมไม่สงบท่านนึกถึงคําของหลวงปู่ดุลได้นะท่านก็นึกถึงผมเส้นเดียวเอามือจับผมเส้นหนึ่งเส้นมานผมนี่รูปร่างอย่างนี้นะ มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีอะไรพิจารณาผมอยู่เส้นเดียวนะจิตรวมเลยเป็นสมาธิเลยได้สมรตกกรรมฐานเสร็จแล้วท่านก็เดินปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ก็สอนให้ดูกระดูกดูกระดูกพิจารณากระดูก ม, มีองค์ในชื่อหลวงพ่อ ง, งานพวกเราไม่รู้จักแนละ้วท่านแบบนี้คงไม่ค่อยอยู่แล้วละสิ้นไปนเกือบหมดแนละ้ว รุ่นที่ทันหลวงปู่นะไม่ค่อยเหลือนะละรุ่นเล็กเลยอย่างถ้าจนจาสุจินเนะี่ยว่าป่าเข้าไปหกสิบแล้วะรุ่นหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเล็กนะหกสิบเทียบตอนนี้ท่านดูกระดูกเวลาเดินจงกรมนะท่านเห็นกระดูกเดินจงกรมแล้วดูกระดูกเดียวมันเหงาท่านเห็นมีกระดูกข้างหน้าอีกโคลงหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังรวมแล้วเป็นห้าโครงนะเดินจงกรมอยู่ด้วยกัน เป็นเราเราก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเนาะผีดักซ้ายกว่าหน้าหลังแต่ท่านไม่หนีนะท่านจิตสงบนะจิตหลอมเนี่ยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็สอนให้พุโทโธพุโทโธไปจิตก็สงบสมถกรรมฐานที่หลวงปู่ดุลสอนนะั้นมันหลากหลายมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยอย่างบางคนไปเรียนแตนะ่ท่านสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่าง รักษาจิตยอยู่ข้างในให้ว่างๆอยู่ข้างในเงียบๆอยู่สงบอยู่ภายในในรู้สิษย์คนนี้ก็เรียนได้แค่นี้แหละทั้งชีวิตเนาะเพื่อเมื่อแต่รักษาจิตให้ว่างๆเขาบอกโลกู่ดูลสอนสอนไหมสอนในการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในนี่มันคือสมถกรรมฐานนะการที่ไปมองความว่างๆของจิตอยู่ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะเพ่งอรูปนั่นเอง ถ้าทำได้ก็เข้าอารูปถ้าเข้าอารูปชำนานนะตาตายไปก็ไปเป็นอรูปประหลตอนที่พระสิยรยาเมตรัรมาตรัดเป็นพทธเจ้านะถ้าท่านนึกถึงนะท่านจะอุทานว่าพลาดจากคุณอันใหญ่พลาดจากคนณเน่ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายที่จะกระทบอารมณ์ไม่มีโอกาสฟังธรรมะเนี่ยนสอนไม่เหมือนกัน ยังจะบอกว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรแต่ละคนท่านสอนแตกต่างตามจริยนิสัยนะคนไหนชอบส่งจิตออกนอกชอบเล่นอะไรแปลงๆเลยให้รักษาจิตให้ว่างๆนิ่งๆอยู่ไปยุ่งกับใครอยู่ข้างในคนเดียวก็ได้สงบนี่ระดับหนึ่งเลยนะขั้นต้นเลยขั้นต้นสุดเลยนะคือท่านสอนเรื่องสมถกรรมฐานท่านก็สอนสิ่งที่ได้ก็คือได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน จิเพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอย่างดูผมเส้นเดียวก็เพ่งอยู่ในผมเส้นเดียวนะมันเป็นอะไรใช่ไหมมันได้กระสินการที่เพ่งเห็นเส้นผมเป็นเส้นยาวๆเป็นท่อนๆนะมันคือกระสินกระสินดินกระสินสีถ้าสีขาวสีดำมันก็เป็นกระสินสีรูปร่างของมันเป็นแข่งๆเป็นท่อนๆก็เป็นกระสินดินก็ได้สมถะดูกระดู นะมันก็คือเพง่งกสิณนะิกเม่ได้สมถนะถ้าน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในก็นะเป็นสมถนะได้ถึงอรูปฌานหลวงปู่ยังสอนมากกว่านั้นอีกนะคนไหนที่จิตเขามีสมาธิสงบพอสมควรแล้วท่านสอนต่ออีกนะท่านสอนให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะขยับขึ้นมาเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานันไม่ได้สงบอยู่เฉย เป็นจิตที่ใช้เจริญปัญญาเป็นจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาแล้วเวลาอยู่ในอริยมรรคอริยผลนะัมันก็จะเป็นจิตชนิดนี้แหละคือจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้ทรงฌานชนิดที่เรียกว่าลัคนูปนิชานไม่ใช่อา ร, รมณูปนิชานแบบสมถะอารมณูปนิชานมันเพ่งอยู่ในอารมณ์ัเดียวลัค น, นูปนิชานนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แล้วก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ท่านสอนเด็กคนหนึ่งนะสอนเด็กตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้เขายุมากแล้วตอนนั้นเป็นเด็กๆท่านสอนไม่ใช่หลวงพ่อนะหลวงพ่อเจอท่านหลวงพ่ออายุยี่แล้วท่านสอนให้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุทโธคือพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตนั่นเองพุทโธพุทโธนะรู้ทันจิตจิตนี้ไปแล้วรู้ทันจิตนี้ไปแล้วรู้ทันนี่แหละ อย่าที่หลวงพ่อมาสอนพวกเรานี้ผู้รูบาอาจารย์สอนมาอีกทีนะไม่ใช่หลวงพ่อวิเศษวิโสมาสอนได้เองพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปจิตที่เคลื่อนไปทันทีที่เรารู้ทันสติระลึกรู้ว่าจิตหลงไปไหลไปเคลื่อนไปความหลงความไหลความเคลื่อนนั้นจะขาดสะบั้นไปเพราะจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตที่ฟุ้งซ่าน ทันทีที่สติเกิดจิตที่ฟุง้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติจะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ใช่สงบนะแต่ว่าตั้งมั่นจิต ท, ที่สงบนะั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่เห็นผมเส้นเดียวก็คือผมเส้นเดียวกระดูกก็กระดูกอยู่แค่นั้นแหะหรือดูความว่างก็ว่างอยู่แค่นั้นมีอยู่อารมณ์เดียวแต่จิต ท, ที่ตั้งมั่นนะเรารู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปคิดพุดโธไปหายใจไปจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา จิตนะ่าตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะแต่อารมณ์นี่เคลื่อนผ่านจิตไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์ไหลผ่านไปกุศลอกุศลไหลผ่านไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะ่นเหมือนภาพที่ไหลผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูเท่านั้นเองนี่ท่านสอนบางคนให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเขาเริ่มพัฒนาแล้วท่านก็เตรียมความพร้อมของเขาเพื่อจะเจริญปัญญาต่อไป ถ้าคนไหนจิตยังไม่ดีเลยฟุ้งซ่านมากอนะไรนั่นก็สอนสมถะให้ก่อนให้สงบคนไหนมีบารมีมากขึ้นแล้ท่นก็สอนให้ฝึกอย่าสงบอย่างเดียวต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยนะสมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนญาติโยมครั้งแรกๆนะก่อนหลวงพ่อบวชเองหลวงพ่อสอนอยจงกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิงบานเป็นคนรู้คนดูได้นะี่สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นของหายาก สานเพื่อนได้ตื่นขึ้นมาสิบกว่าคนนะยังไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะพาไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ยังชมเลยว่าน่าทึ่งไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้สิบคนท่านไปเยอะและ้วเดี๋ยวนี้นะ่ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วอพวกเราในห้องนี้ตื่นอยู่เกือบทั้งหมดเลยรู้สึกตัวได้เยอะแยะเลยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องพื้นๆในยุคนี้ละนะ มาใส่ครูบาอาจารย์วางรากฐานไหมหลวงพ่อก็มาบอกต่อให้เราพุโทโธไปเราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันให้จิตก็ตื่นขึ้นมาหลวงปู่ ด, ดูลีก็สอนไว้นะเช่นสอนเด็กคนหนึ่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุโทโธรู้ทันจิตไปสุดท้ายพุโทโธมันหายไปนะเหลือแต่จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่นะต้องพุโทโธแล้วจิตตั้งอยู่โดยไม่หนีไปไหนละนะนี่บางคนเนะีย ท่านเห็นว่าจิตมันตั้งมั่นพอสมควรแลท่านสอนเดินปัญญาต่อหลวงพ่อไปหาท่านครั้งแรกเนะี่ยท่านไม่ได้สอนสมถะท่านไม่ได้สอนจิตให้เป็นผู้รู้หลวงพ่อทํามาตั้งแต่เด็กแล้วทำมาแต่เจ็ดขวบรเรื่องสมถะเรื่องอะไรเงี้ยท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตตนเองเลยการดูจิตตนเองเนะี่ยท่านใช้ประโยคบอกว่าจงทํายานยานยอหญิงสะานอนอิน จงทำยานไม่ใช่ฌานนะฌานเนี่ยเพ่งให้สงบจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปสั้นสอนอย่างนี้นะจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปนี่แหละการดูจิตที่แท้จริงที่จะให้เกิดปัญญาเกิดมากผลนิพพานเนละต้องใช้รู้ด้วยยานไม่ใช่รู้ด้วยสติเฉยๆบางคนไม่เข้าใจอย่าไปดูจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเอาสติเนะี่ยจับอยู่ที่จิตเลยไม่ให้จิตกระดุกกระดิกเลย สติมีหน้าที่จับนะเพราะฉนั้นเวลาเราจะไปรู้อะไรเนี่ยสติจะจับปุ๊บเข้าไปที่ตัวอารมณ์อันั้นเลยหน้าที่ของสติคือจับและหน้าที่ของปัญญาคือตัดญาณเน่ยนนะเป็นตัวปัญญานะญาณเป็นชื่อของปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจท่านไม่ได้บอกให้เอาสติไปเพ่งจิตแต่ท่านสอนบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูป ยานจะเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหมายถึงเห็นได้ชัดเจนเลยธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะเรารู้สึกไม่มีความปล่รยขึ้นมาเรามองเห็นใช่ไหมเรารู้สึกได้มันก็เหมือนตาเรามองเห็นรูปธรรมดานี่เองนะแล้วมียานเห็นจิตเนี่ยล้วตัวยานเป็นตัวปัญญาเพราะงั้นไม่ใช่เห็นตัวสภาวะของจิตเฉยๆแต่เห็นลักษณะของจิตด้วว่าจิตนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา คำว่ายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนั้นไม่ใช่ดูแต่ตัวจิตจิตตัวเดียวไม่มีอะไรให้ดูจิตจะต้องเกิดร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเสมอเจตสิกเป็นธรรมะที่เกิดประกอบกับจิตเกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงมีอะไรบ้างก็มีเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกความรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกไหมใจของเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะไม่สุขก็ทุกใช่ไหมไม่สุขไม่ทุก็เฉยมีอยู่เท่านี้เอง เพรฉนตัวเวทนาเนี่ยเป็นเจอเกิดร่วมกับจิตทุกดวงตัวสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จําได้ชั้นเดียวก็เช่นเห็นสีเขียวรู้ว่าสีเขียวจําได้ชั้นเดียวจําได้สองชั้นก็แปลออกอีกสีเขียวไปให้ขับรถไปได้สีแดงให้หยุดอะไรเนี่ยเนี่ยสัญญาไม่เป็นคนจําจําได้แล้วก็หมายรู้ะ จำได้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่เคยเห็นเสือพอ เ, เห็นเสือปุ๊บรู้ว่านี่เป็นเสือหมายรู้เนี่ยไม่เคยเห็นเสือเลยรู้จักแต่แมวพอไปเห็นเสือเขาโอ้นี่แหละแมวตัวใหญ่หมายรู้ว่าเป็นพวกเดียวกับแมวนิสัยคงเหมือนกันตัวมันใหญ่ขนาดนี้นคงกินคนได้นะแมวมันกินหนูได้นี่เรียกว่าหมายรูนะ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกิดร่วมกับจิตเหมือนกันตัวจำได้ตัวหมายรู้เรียกว่าสัญญา อีตัวหนึ่งเรียกว่าสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วทั้งหลายนะเช่นปรุงกุศลปรุงศรัทธาปรุงวิริยะปรุงสติปรุงปัญญาศรนะัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรเนี้ยนะก็เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมานะมัเป็นเครื่องมือของจิตโลภะโทสะโมหะก็เป็นเจตสิกเรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายชั่วนะจิตก็ปรุงขึ้นมาแล้วมันก็มาครอบงําจิตได้ กุศล น, นั้นจิตก็ปลุงขึ้นมาแล้วมันมาส่งเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาจิตได้อกุศลเกิดขึ้นมาก็มาย่าดีจิตได้นะั้นจิตปลุงขึ้นมาเองนะมันก็มาย่าดีจิตอีกการที่เราจะมียานเห็นจิตนั้นนะให้เรารู้เท่าทันนะการทำงานของจิตและเจตสิกรู้เท่าทันเบื้องต้นรู้ถึงความมีอยู่ของมันด้วยสตินะต่อมาก็รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันด้วยยานคือด้วยปัญญา จะเห็นเลยว่าความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ไปนี่ถือว่าเราดูจิตอยู่นะความทุกข์มาความทุกข์ก็ไปความเฉยมาความเฉยก็ไปก็จิตกับเจตสิกนั้นเกิดด้วยกันนะจิตนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เรารู้ถึงความมีอยู่ของมันเรารู้ถึงความมีอยู่ของมันได้โดยอาศัยผ่านเจตสิกนะหรือไม่ก็ผ่านอายตนะจิตเกิดร่วมกับตาจิตเกิดที่ตาที่หูเราก็จะรู้จิตที่ตากับจิตที่เกิดที่หูมันคนละดวงกัน เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์มันคนละดวงกันจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลก็คนละดวงกันจิตโลภก็คนละดวงกับจิตโกรธนะจิตโกรธก็คนละดวงกับจิตโลภคนละดวงกับจิตหลงเนี่ยจะเห็นจิตมันแยกออกจากกันเป็นอย่างๆไปสุดท้ายจะเห็นว่าจิตทุกชนิดนั่นแหละเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะบางคนก็เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่พวกนี้เห็นอนิจจังบางคนเห็นในจิตที่ยังไม่ดับอยู่นะที่กําลังปรากฏอยู่ ก็ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลา น, <_' Standard> นี่เรียกว่าเห็นทุกขังบางคนก็เห็นว่าจิตจะดีจิตจะชั่วจิตจะสุขจิตจะทุกข์นั้นเราสั่งไม่ได้นะมีเหตุมามีเหตุอย่างนี้มาจิตก็สุขมีเหตุอย่างนี้มาจิตก็ทุกข์มีเหตุอย่างนี้จิตก็ดีมีเหตุอย่างนี้จิตก็ชั่วในการที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตานะ การที่เราหาัดูจิตดูใจดูด้วยปัญญาดูด้วยญาณไม่ใช่ดูด้วยสติอย่างเดียวนะดูด้วยสติอย่างเดียวจะไปเพ่งจิตไว้เฉยๆไปจ้องนะจ้องอยู่นิ่งๆไม่เกิดปัญญาต้องดูด้วยญาณก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจะเห็นเลยว่าจิตที่สุข ก, ก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตที่เป็นอกุศลก็ชั่วคราว จิตที่เกิดที่ตาก็ชั่วคราวเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ชั่วคลาวนี่จิตคิดก็มีชั่วคราวในการที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะนี่แหละเรียกว่าเรากําลังดูจิตอยู่การดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตนิ่งๆด้วยสติแต่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาเรียกว่ารู้ด้วยอย่างสมัยที่หลวงปูด่ดวลได้ธรรมะขั้นต้นแล้วนะนท่านก็ไปเรียนต่อจากหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นสอนท่านให้ดูจิต是是นี่บางคนคิดนะว่าดูจิตเนี่ยต้องขั้นผ้านาคาไปแล้วถึงจะดูจิตไม่จริงหรอกพูดเราเองนะหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่มันนะม่นสอนให้ดูจิตตั้งแต่หัดไม่นานเลยท่านสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอานิจจาสังขารสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้หลวงปู่ดูลนั้นอาศัยการดูจิตแบบมีญาณเห็นจิตเนีเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตซึ่งมันจะเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับสังขารหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยเจาะเอามาสัญญากับสังขารถ้าเต็มยศก็จะมีเวทนาหรือความสุขทุกข์อีกตัวหนึ่งถ้าดูเต็มยศ ของหลกงปู่ดูเนี่ยแค่เห็นสัญญากับสังขารนี่ท่านก็ผ่านได้แล้วท่านมาดูอยู่ไม่นานนะท่านก็เห็นแจ้งอริยสัจเห็นไหมท่านแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแปลกไหมดูจิตแล้วไปแจ้งอริยสัจก็จะรู้เลยว่าตัวจิตนั่นแหละมันตัวทุกข์นะแล้วก็ตัวรูปตัวนามเนี่ยตัวทุกข์ตัวอยากมีตัณหาขึ้นมาจิตทยานอยากนี่เป็นตัวสมุทัยท่านเรียกจิตที่ทยานอยากว่าจิตส่งออกนอก นะการที่มันมีความอยากขึ้นมานะตัวความอยากตัวการส่งออกนอกนั่นแหละคือตัวตันหานะถ้าจิตมีตันหาผลักดันนะจิตเก็เข้าไปเสวย อ, อารมณ์ไปยึดอารมณ์จิตก็ทุกข์ขึ้นมานะหรือตัวจิตเองถ้าเรียนลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตสุดนะตัวจิตเองเป็นตัวทุกขนะ์แต่ตรงนี้ในขั้นตอนเนี่ยยังไม่เห็นหรอกจะเห็นแต่ว่าจิตมันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างแต่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้ เห็นอย่างนี้ได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วได้พระโสดาบันได้นะนี่พอได้ธรรมะขั้นต้นได้แล้วเนี่ยหลวงปู่ดุลสอนธรรมะขั้นสุดท้ายให้อีกหลวงปู่ดุลไม่ใช่แค่สอนว่าจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดตาเห็นรูปแล้วจบลงแค่นี้นะพัภาวนาไปจนถึงเต็มฟูมิแล้วนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกหน่อยเดียวเป็นฟูมของภาณาราคาบีนะแต่มันไม่จบหรอกวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ หลวงปู่นั่งเงียบๆแล้วท่านก็ป ร, ราลบธรรมมากขึ้นมาบอกเออนักปฏิบัติส่วนมากนะที่ดีที่มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตอะไรเนะี่ยส่วนใหญ่ไปเป็นผีใหญ่เราต้องเงียบนะเราสงสัยว่าผีใหญ่คืออะไรถ้าเราไปถามตอนนั้นท่านไม่พูดต่อเลยเป็นผีใหญ่ยังเกิดอีกแล้วค่อยแอบไปถามพระอุปาัากผีใหญ่ไปว่าอะไรหลวงพี่ อ๋อผีใหญ่เหรเป็นปลมอนาคาะเป็นขีใหญ่พวกนักปฏิบัติเราเป็นตายอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเนยท่านเปลยเลย อ, อย่างนี้นะท่านก็ไม่สอนต่อนะเราก็ไม่ได้ถามอะไร น, ะนั่งคืนถามท่านก็ไม่พูดให้ฟังอยู่มาอีกเป็นปีเลยนะไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะปลายเดือนกันยานะปีสองหกท่านสิ้นปลายตุลา ตลายตุลาไปกลับท่านสามสิบหวันก่อนท่านมรณภาพท่านมรณภาพ30ตุลาไปกลับท่านตั้งแต่ตอนบ่ายนะท่านก็เทศให้ฟังนะเรื่องจิตคือพุทธะเรื่องอะไรต่อไรเรื่องอริยาสัจแห่งจิตเทศเทศเทศไปล้วก็ฟังไปด้วยจนค่านะค่าแล้วหลวงปู่นะหอบเลยนะั้งหอบหอบหอบอย่างเงี้ยนะเราโอ้หลวงปู่เหนื่อยมากแนละ้วหลวงปู่ก็อายุกเกือบร้อยแล้วนะ เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาไม่นานกลับมาวัดไม่นานบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วละ่ะหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะจําไวนะ้นะนี่ท่านท่านสั่งให้จำเพราะท่านรู้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะทําอย่างนั้นจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทหําลายผู้รู้พบจิตให้ทหําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยธรรมะนี้นะไม่เคยมีใครรวมไม่ในประวัติท่านเลยนะ ไม่มีใครรู้เลยเป็นคําสอนที่ประหลาดมากเลยนะเพราะผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทํำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อก็บอกครับผมจะจําไว้ถ้าเออจําได้แล้วก็ไปกราบลาท่านนะใจนะ่ะอะไรอาวรท่านมากเลยปกติไปเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจบแล้วออกเลยไม่มีคําว่าอะไรอาวรเลยเพราะเราจะภาวนา คราวนี้ใจมันเอาวาลยวอนคลานออกมาหน่อยก็หันไปดูคลานมาหน่อยก็หันไปดูเดินออกไปก็ดูหันมาดูเรื่อยๆมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายนั่นเองหลังนจะากนั้นท่านก็สิ้นแนะ้วันรุ่งขึ้นนะจากที่ได้ไปฟังหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อมาโขราชเขาไปกราบหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวัน ปกติเวลาไปหาหลวงปู่ดุลเนี่ยค่ะกลับจะต้องแวะกลับหลวงพ่อพุธ ท, ท่านจะซักว่าหลวงปู่สอนอะไรนะท่านอธิบายเพิ่มให้คราวนี้ก็ท่านก็ถามนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรล่ะหลวงหลวงปู่สอนบอกว่าพวอผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พวอจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง หลวงพ่อพูดท่านก็พูดนะท่านพูดทวนเลท่านพูดช้าๆใครเคยรู้จักท่านเคยฟังท่านจะพูดท่านจะพูดช้าๆไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อหรอกพูดเร็วอย่างหลวงพ่อต้องขาดใจตายเลยเพราะท่านพูดแต่เช้ายันดึกใครมาท่านก็พูดด้วยหมดอ่ะหลวงพ่อยังต้องหนีเข้ากุฏินะไม่โผล่ออกมาเลยท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานแล้วเป็นกรรมฐานขั้นสุดยอดและขั้นสุดท้ายแล้วจะต้องลงมาตรงนี้ นะแล้วท่านก็ขยายความให้ฟังนะคือตราบใดคําว่าทําลายผู้รู้ทําลายจิตเนะี่ยไม่ใช่ไปทําลายตัวมันนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นในตัวจิตไม่ยึดมั่นในตัวผู้รู้ท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะไปกราบหลวงปู่ดุลงหนึ่งอาทิตย์ท่านก็ขึ้นไปเยี่ยมหลวงปู่มาหลวงปู่ดุลก็บอกท่านสอนท่านบอกว่าเจ้าคุณ การปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงงั้นธรรมะอันนี้ท่านสอนไว้สองคนนะสอนหลวงพ่อพุธก่อนนะอาทิตย์หนึ่งแล้วมาสอนหลวงพ่อครั้งที่สองแล้วไม่ได้สอนใครละไม่มีใครได้ยินเท่าไหรนะ่จะไปเล่าให้หลวงพ่อพูดฟังแนละ้วท่านบอกเลยอันนี้แหละคือจุดสุดท้ายเลยจุดสุดยอดของกรรมฐานนะนะตัวนี้เป็นตัวที่จะต้องใช้ แล้วท่านก็ต่อนะหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกต่อคุณกับอาตมามาทำกติกากันท่านใช้คำว่าทำกติกากันนะคล้ายๆมาเซ็นสัญญากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันนะเราทำลายไม่ได้หรอก <c oughs> นะอยู่มาจนปีเท่าไหร่อ่ะใกล้ๆท่านจะมรณภาพนะนะอีกไม่กี่เดือนหลวงพ่อพุทธจะมรณภาพนะ หลวงพ่อไปเจอท่านท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ก็เข้าไปกราบท่านตอนนั้นหลวงพ่อมาทำงานองค์การโทรศัพท์ไปฟังท่านเทศเสร็จเขาไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่ได้พบหลวงพ่อนานแล้วไม่พบท่านร่วมสิบปีเขาหาตัวท่านไม่เจอไปที่วัดไม่เคยเจอเลยท่านหนีตลอดเลยท่านเป็นมะเร็งตหลังท่านหนีท่านบอกว่าหลวงพ่อจาได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอก กลับเรียนท่านอีกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะท่านพูดขึ้นมานะห้าวหาญมากเลยนะจิตท่านสว่างสวนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองพูดประโยคนี้เลยนะจำได้เวิดดิ้งเวิดใบเวิดเลยนะจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณเหมือนไข่ไก่เนี้ย น, นะ เหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราไม่มีหน้าที่อะไรหรอกนะนี่หลวงพ่อขยายต่อเรามีหน้าที่ทำให้ลูกไก่เนี่ยมันไม่แท้งซะก่อนเท่านั้นแหละเราก็คือเราก็ดูจิตมียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเรื่อยไปนั่นแหละถึงวันหนึ่งมันจะแจ้งขึ้นมาแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแห่งจิต อริยสัจแท่งจิตเป็นยังไงจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์จะมีความอยากหรือไม่มีความอยากจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นทุกข์แจมแจ้งนะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แจมแจ้งคือขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าต้องอยากซะก่อนแล้วถึงจะขันเป็นทุกข์มีขันก็มีทุกข์แล้วนะถ้าแจ้งอย่างนี้ได้นะีว่าแจ้งอริยสัจนะเพราะทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือตัวขันนั่นแหละ นะถ้าเห็นว่าขันเป็นทุกข์โดยเฉพาะาเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ได้นะจะไม่มีตัวอะไรเป็นตัวสุขอีกแล้วในโลกนี้ก็จิตมันทุกข์ซะตัวเดียวตัวอื่นทุกหมดเลยนะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยการสลัดคืนจิตให้โลกจะเกิดขึ้นปฏิณิษฐ์ศักขะการสลัดคืนจะเกิดขึ้นจะสลัดจิตทิ้งไปนะบางท่านมีซาวเอฟเฟกตด้วยตอนสลัดน้ำฟ้าผ่าแผ่นดินไหวโลกกระเทือนอะไร น, นี้มีสาวเอฟเฟกต์นะ บางท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยขาดพึ้งกระเด็นไปเลยนะไม่มีรอดลายเนี่ยคําสอนของหลวงปู่นะมีตั้งแต่เรื่องสมถะอย่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในความคิดนึกเกิดขึ้นปัดทิ้งไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนี้สมถะนะพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตนะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตเลยอันนี้จะได้จิตที่ตั้งมั่นมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะ ดูความมีอยู่ดูการเปลี่ยนแปลงดูการทำงานของจิตนะที่มันเกิดร่วมกับเจตสิกเกิดร่วมกับความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะเกิดร่วมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายก็จะเห็นในจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่เที่ยงก็ได้ธรรมะขั้นตน้นนะดูไปเรื่อยๆนะจนเป็นพระนักขาขั้นสุดท้ายเนะี่ยจะมาแจ้งว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ พอแจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์จะคืนจิตให้โลกนะพระอรหันต์เนี่ยท่านปล่อยวางจิตได้ปล่อยขันอื่นเนี่ยปล่อยง่ายปล่อยจิตนี่ยากที่สุดหลวงปู่ไม่ได้จบคําสอนลงแค่นี้นอกจากสอนเรื่องสมถะสอนให้มีจิตที่ตั้งมั่นนะสอนให้เจริญปัญญาสอนถึงขั้นสุดท้ายของการเจริญปัญญาการทํำพิปัสนาขั้นสุดท้ายคือทําลายตัวจิตผู้รู้ได้ ท่านยังสอนต่อไปอีกว่าหลังจากทำลายผู้รู้แล้วจิตเป็นอย่างไรนะคำสอนนี้อยู่ในเรื่องจิตคือพุท ธ, ธะนะพวกเราบางคนไปอ่านจิตคือพุท ธ, ธะแล้วก็เคลิมนะเคลิมว่าโอ้จิตของเรานี่แหละเป็นพุท ธ, ธะเปล่าเป็นมารต่างหาก <c oughs> จิตเรานั่นแหละตัวอภิสังขารามารตัวปรุงนะเป็นเทวปุตตมาร เป็นตัวเทวปุตตมารตัวจริงเลยแล้วก็มีอภิสังขารมารมีกิเลสมารเป็นเพื่อนนะงั้นอย่ามาอวดว่าจิตของเราเป็นพุทธะอยู่แล้วจิตเราไม่ได้เป็นพุทธะจิตเราเป็นมารมีแต่อวิชชาตันหาอุปาทานมีกิเลสมีอาสวะมีอนุสัยอยู่เพียบเลยเพราะนั้นจิตของเราไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตของเรากําลังเลวอยูนะ่ต้องมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเนะนี่บางคนไปอ่านจิตคือพุทธะนะจิต นะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอย่างโ น, น้นไม่มีอย่างนี้นะศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่มีอะไนเนี่ยอันนั้นท่านพูดถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วจิตของพระอราหันต์ไม่ใช่จิตของเราอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอ่านจิตคือพุทธะแล้วบอกว่าปฏิบัติตามแนวของโลกพปู่ดูลตามหนังสือจิตคือพุทธะอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัตินะ ต้องทำเหตุเหตุก็คือให้มียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะต้องทำเหตุนะแล้วผลมันตามมาเองไม่ใช่ทำผลนะต้องทำเหตุอย่างเรามีร่างกายเรามีลูกสักคนนะเราเห็นลูกเราตัวเล็กแล้วเราเชือกมาดึงหัวมันดึงขามันนะเอาขามันปูกไว้กับเสาก็ลากหัวมันให้มันยาวเท่าผู้ใหญ่เนี่ยจะทำผลนะ ถ้าทำเหตุก็หาข้าวให้มันกินให้มันออกกำลังเลี้ยงมันไปเดี๋ยวมันค่อยโตเป็นผู้ใหญ่การปฏิบัติเหมือนกันต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลงั้นเมานะอ่านธรรมะมากไปแล้วเมาจะทำจิตคือพุท ธ, ธะจิตดีอยู่แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาจะสำคัญอะไรนั่นจิตพล า, ารหันท่านหมดอะไรหมดหน้าที่หมดภาระแล้วเห็นไหมคาสอนของท่านมีหลายขั้นหลายตอนนะ น่ไม่ใช่เอาหัวเป็นท้ายเอาท้ายเป็นหัวนั้งอ้างว่าหลวงปู่ ด, ดูลสอนมาเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนะคำสอนของท่านจะมีอีกชนิดหนึ่งเห็นไะหมท่านเริ่มมาตั้งแต่สมถะนะคือฝึกให้ได้อารามณูปนิชฌานขั้นที่สองฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเพื่อเตรียมไปเดินปัญญาเรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานขั้นที่สามมาเจริญมิปัสสนานะ จเจริญปัญญาที่บอกไม่ให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูการทํางานดูความเป็นไตร ล, ลักษณนะ์ขั้นสุดท้ายขั้นที่4ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะีต้องปล่อยวางจิตให้ได้นะอย่าไปเสงี่ยรักษาจิตเอาไว้เพราะนักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปตา ย, ตายอยู่ตรงที่เสงว่รักษาจิตนั่นแหละคิดว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวร้ายกาจเลยนะเสร็จแล้วท่านก็สอนถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วนะยังมีคําสอนอีกชนิดหนึ่งของหลวงปู่ดุลเป็นคําสอนเฉพาะตัว อันนี้ท่านสอนเป็นคนๆเป็นคล้ายๆยาเฉพาะโรคนะเอี่ยวพวกเราเคยได้ยินท่านอาจารย์สุจินไหมอาจารย์สุจินสุจินโนนะอาจารย์สุจินสุจินโนเป็นพระดีนะท่านเรียนจากหลวงปู่หลุยมาก่อนต่อมากศรัทธาหลวงปู่ดูลไปบวชกับหลวงปู่ดุลมีอยู่ปีหนึ่งอาพาธหนักตอนอาพาธหนักเนี่ยท่านดูกายดูใจของท่านไปเรื่อยนะท่านก็เห็นแล้วเนี่ยกำลังใกล้จะขาดใจแล้วท่าดูของท่านไปเรื่อย ใจของท่านไม่กระสับกระสายใจของท่านไม่ดิ้นรนอะไรเลยนะท่านยังบ่นกับหลวงพ่อเลยนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทีหลังนะเสียดายตอนนั้นน่าจะตายไปนะหมดเรื่องหมดราวหมดปล่าไม่แน่หรอกนะท่านบอกกับอาจารว่าจิตมันไม่ยึดอะไรเลยดนะีปรากฏว่าไม่ตายเนี่ยมักจะเป็นอย่างเนี้จิตพอมีพลังขึ้นมานะแทนที่จะตายกลับไม่ยอมตายนะ่ะพอไม่ตายท่านหายป่วยหายอาพาธนะ แล้ท่านก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่สมอาพาธหนักนะแล้วก็มันรอดมาได้เนะี่ยอยากถามหลวงปู่ว่าถ้าตอนเจ็บหนักนะตอนใกล้ตายเนะี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะทําจิตอย่างไรนะหลวงปู่บอกว่าเออถ้ามันยังไม่จบนะตอนนั้นนะ่ะต้องทําแบบเรียกว่าตกกระไดพลอยโจนนะตกกระไดพลอยโจรหมายความว่าดูจิตเข้าไปเลยนะ ไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็แค่รู้แค่เห็นมันไปนะเหมือนที่ท่านทําอย่างที่ท่านทํามาแล้วนะั่นแหละดูจิตที่มันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนั่ก็อยู่กับภาวะอันนี้แหละถ้าตายไปกับภาวะอันนี้ก็ไม่ต้องเกิดหรอกนะแต่หลวงปู่ก็ย้ําตอนท้ายนะทําได้ถ้าเคยทําพวกเราเคยไหมจิตว่างไม่เคยมีแต่จิตหลงเข้าไปในช่องว่าง นั่นจิต ท, ทำอรูปทําสมถะนั้นะท่านภาวนานท่านมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะก็หมายถึงท่านภาวนานได้ได้เก่งแล้วลนะ่ะะท่านก็ทําได้อย่างเงี้ยเะนั้นเป็นคําสอนเฉพาะตัวเรียกว่าท่านเรียกว่าตกกะระไดพล่อยโจนถ้าพูดศัพ์สางวิชาการมันก็จะถ้าทําสําเร็จนะจะเป็นพระอรหันต์ชนิดชีวิ ต, ตะสมะสีสนะีคือตายในขณะที่บรรลุพระอรหันต์พอดีเลย พรากเราไม่ควรเสี่ยงอันนั้นหมายถึงว่าหมดโอกาสอื่นแล้วนึกห อ, อกไหมหมดโอกาสอื่นแล้วอยู่ๆฉันไม่พ่อนาหรอกเดี๋ยวฉันจะไปว่างตอนตายโถตายอย่างเฉียดใช่ไหมคำสอนหลวงปู่นะเป็นขั้นเป็นตอนครอบคลุมประณีตลึกซึง้งแต่ไม่มีใคร ร, รวมไปได้หรอกนะี่หลวงพ่อไปรวมมาอาศัยเราเป็นนักศึกษาเก่านะ เจอใครเรียนจากหลวงปู่เราค่อยถามเลยหลวงปู่สอนอะไรสอนอะไรแล้วงพ่าก็เรียนปริญัติบ้างอะไรบ้างจําแนกได้ว่าคําสอนอย่างนี้มันขั้นไหนขั้นไหนไอ้ตรงยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเลยนลพ่อมาดูจิตอยู่สี่เดือนนะมาดูอยู่สี่เดือนเองไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกช่วยตัวเองได้แล้วที่ทําเนี่ยถูกแล้วทําถูกแล้ว เพราะงั้นใครอยากรู้เรื่องมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปใครอยากรู้เรื่องดูจิตมาถามเราได้เพราะหลวงปู่รับรองว่าทําถูกอะ่ะไม่ใช่ทําจิตว่างๆนะจิตว่างๆไม่ใช่หรอกขั้นต้นขั้นสมถานนี่วันนี้เทศเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะท่านเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศแต่ท่านไม่แจกแจงธรรมะแบบหลวงพ่อนะ หลวงพ่อเหมือนต่อจิกซอให้พวกเราดูเพราะพวกเราขี้เกียจกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเราครูบาอาจารย์ท่านให้ต้นทุนมานิดหนึ่งนะเรามาทํามาหากินขยายต้นทุนขึ้นมานะพวกเราหลวงพ่อให้แค่นี้รับไว้ใส่ย่าําใส่กระเป๋าไ้ก่อนเดี๋ยวอีกเดือนมารับอีกอันใส่เฮ้ยอันเก่าหายไปแล้วจะให้ไม่ได้เรื่องหรือนะ การปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คือประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไม่ยากหรอกถ้าใครว่ายากก็คือพวกที่ไม่ค่อยปฏิบัติพวกที่เอาแต่คิดมีเด็กเล็กๆนะบางคนอายุไม่ถึงเจ็ดขวบเลนี่มีโยมนี่ไปเจอที่เชียงรายห้าขวบนิดยน สี่ขวบสี่ขวบมันดูจิตได้แล้วมันอาศัยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะใครว่าดูจิตยากนะวันหลังจะเชิญเด็กสี่ขวบมาเทศให้ฟังหลวงพ่อมีหลานอยู่คนหนึ่งหลานอายุสักสิบปีปเก้าปีตอนนั้นนะ่ะมันพูดเลยว่าโอ้การเพ่งนี่มันหลงนะแต่มันเป็นหลงแบบมีปัญญาหน่อยอมันพูดถูกนะ ทำสมถะเนี่ยต้องมีปัญญานะแต่เป็นปัญญาขั้นสมถะแต่หลงไหมหลงก็มันสร้างพบสร้างชาติอยู่นั่นเด็กเก้าขวบนะเพราะฉนั้นถ้าใครบอกดูจิตยากดูจิตยากนะนหลังจะเรียกเด็กๆด็ประเทศให้ฟังหลวงพ่อ ม, มีลูกศิษย์รุ่นจิวจ๋วๆอยู่หลายคนแต่ยังสอนได้ไม่ดีเท่าที่ภาษารีบุตรสอนลูกศิษย์ภาษาลีบุตรนะมีเนร์นอยู่ในสังกัดเนี่ยหลายองค์เป็นพระอาหารหันต์ด้วย อายุเจ็ดขวบมีตั้งหลายองค์เนี่ยพวกเราเจ็ดสิบยังไม่เป็นเลยเนรเจ็ดขวบเป็นพระอราหันต์เนท่านน่ารักเนนท่านน่ารักมากแต่ละองค์แต่ละองค์มีอุคราวหนึ่งนะมีนางพรามณีอยากจะทำบุญบ้านก็สั่งสามีไปที่วัดไปนิมนต์พระมาเลือกพระแก่ๆนะสะได้ขลังอย่าไปนิมนต์พระเด็กๆมานะ ไปบอกเลยว่าขอนิมนต์พระเถระปรเกดไปนิมนต์พระวันนั้นนะพระไม่มีพระไม่พอไปที่อื่นหมดแล้วเหลือแต่เนนพระที่เป็นคนจัดคิวส่งเนนมาท่านถือว่าเนเนเนี่ยเป็นพระเถระเถระหรือไม่เถระไม่ใช่อยู่ที่ภรรษานะอยู่ที่คุณธรรมท่านถือว่าเนนนี้เป็นพระเถระงั้นตรงสเปกโยมแต่ไม่ตรงใจยโยมหรอก สามีนั่นก็พาเนนมาบ้านมาหลายองค์เลยมาถึงบ้านใยายท่านอยู่ในครัวชงเชง้งชงเชง้งคงทําอะไรอยู่ในครัวนะเห็นได้เวลาแล้วจะงอกมาเฮ้ยเนนทั้งนั้นเลยนะสามีเรียกเนนขึ้นนั่งเรียงแถวอย่างเนี้ยเราบาตมาตั้งเตรียมจะฉันนะ่ะเดี๋ยายกจากครัวก็ฉันได้แล้ะตอนนี้มณีไปฉันเนี่ยไม่ได้นิมนต์มาสวดเนี่ยสมัยก่อนนิมนต์ไปฉันก็คือฉันนะ ฉันเสร็จแล้วถึงจะเทศอะไรให้ฟังนิดนิดหน่อยๆเช่นยะถาวาริวาหา น, น้ําหยดทีละหยดนะก็ยังเต็มตุ่มะฐานที่ทำทีละน้อยก็เต็มเหมือนกัน mm hmm. เทศน ะ, นะไม่ใช่ให้ผ่อนหรอกเราถือ hmm. ว่าพระให้ผ่อนคมจริงพระเทศให้ฟังเราแปลไม่ออกก็เลย mm hmm. มีอายุวันโนสุขังพลังเอออายุวันหนังสุขขังพลโะ mm hmm. คงอย่าให้ผ่อนเปล mm ่า hmm. ท่านบอกว่าตอนท้าย่นะ mm hmm. การที่เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่่ะ จะส่งผลให้มีอายุวันน้าสุขขาวกะละเนี่ยเห็นเรื่องเทศเท่านั้นเลยยญ่พรามพนีปรวมาเห็นเนนเะฮ้ยไปเอาเนนมาทำไมไปไปไปให้หมดใ้เนนพวกเนี้ยไม่ให้กินหรอกเสียของจะให้นิมนต์ผู้ใหญ่เนนท่านก็ดีนะเขาไล่ก็ลุกเลยนะเขาไม่ให้กินมาไปหาที่อื่นก็ได้ว่าแล้วลุกออกมาเป็นแถวเลยให้ชาวบ้านที่ไปร่วมงานเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไง ไม่ถูกเนี่ยด่าอีตาผัวนะตาผัวอ้าเนนเนเนเชิญเนนขึ้นไปนั่งต่อเนี่ยถูกเขาไลา่ขึ้นไล่ลงอยู่หลายรอบนะจนในที่สุดประชามติเขาจะด่าอีนังคนนี้ะนะอ้าวอยากกินก็กินไปวันนี้ไม่ได้บุญแล้วนะเนนฉันเสร็จนะบางองค์ก็เหาะขึ้นไปบางองค์ก็ดำดินไปบางองค์ก็หายตัวกลับวัดนะยายพรามณีเนี่ยปลื้มมากเลยโอ้เนนนี่เก่งจริงๆ นะเทศเรื่องอะไรเนะี้ยทำไมมันออกมาเรื่องเดนจะบอกว่าดูจิตไม่ยากหรอกเด็กๆมันยังดูเป็นเลยนะแก่จนหัวเริ่มหงอกย้อมผมแล้วบางคนกนะ็<笑><笑>อย่าว่าดูยากอะไรนักหนาจิตมีความสุขรู้ไหมจิตมีความทุกรู้ไหมก็รู้ทุกคนนะนะ จิตมีราคะมีความโลภรู้ไหมมีความโกรธรู้รู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้แค่ละเลยเท่านั้นแหละนะเวลาเห็นสาวสวยใจมันรักขึ้นมามีราคะขึ้นมามัวแต่ดูสาวไม่ดูจิตที่กำลังมีราคะก็แค่นั้นเองถ้าย้อนมาดูจิตที่มีราคะราคะก็กระเดนตกเวทีไปเท่านั้นเองนะและจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิก บ, บาล พอเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะสุดท้ายจิตมันปิงขึ้นมาสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลนั่นแหละดับเป็นธรรมดานะถ้าเข้าใจตัวนี้ก็เป็นพระโสดาบันนะนะใจของเรายังไม่เห็นตรงนี้นะใจเราเห็นว่าในตัวเราเนี่ยมีสิ่งบางสิ่งเที่ยงอยู่แต่ย่าไพเราเห็นว่าจิตของเราเนี่แหละเที่ยงรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ตอนเด็กๆกับเราคนนี้เดี๋ยวนีนะ้เรารู้สึกว่าเป็นคนเก่านะ ร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ใจเราเนี่ยเหมือนเดิมเราเป็นคนเดิมเราคิดอย่างนี้ตลอดนะนี่แหละเรียกว่าเรายัางมีมิจฉาทิฐิมีสักกายทิฐินะแต่ถ้าเราเห็นเลยว่าจิตทั้งหลายเกิดแล้วดับจิตไม่ได้เที่ยงเป็นตัวเรานี้รันดอนอยู่อย่างนี้หรอกจิตดีเกิดระดับจิตร้ายเกิดระดับจิตสุขจิตทุกข์เกิดระดับจิตที่ไปทางตาเกิดระดับไปทางหูเกิดระดับไปทางใจเกิดระดับพอเห็นจิตเกิดดับมากเข้ามากเข้าสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับ โดยพาะจิตนั่นแหละไม่มีความเป็นตัวเป็นตนถาวรตรงไหนไม่มีอมตอะเลยนะได้อย่างนี้ก็คือได้ทระโสดาบรนถัดจากนั้นก็ดูเหมือนเดิมนี่แหละจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนทางตาเห็นรูปบางท่านท่านเชื่อนะว่าขั้นโสดาเ น, นี่ยต้องดูกายสัจธรค า, าอนาคาต้องดูกายไม่จริงหรอกนะอันนั้นขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะเพราะสติปัฏฐานสีนะั้นเหมือนประตูเมืองสีทิศนะเข้าประตูที่ใดก็ได้ทั้สิ้นแหละนะ วันนี้เท่านี้ก่อนนะรู้จักหลวงปู ด, ดูล้างหรือยังไม่ธรรมดานะสอนตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกคูกเลยแล้วหลังหอนกคู่ก็สอนถึงว่าหมดกิเลสแล้วสภาวะของจิตเป็นไงท่านยังพูดให้ฟังอีกท่านพูดถึงกระทั่งลีลาการเข้ากป น, นิพานธ์แต่หลวงพ่อไม่เทศให้พวกเราฟังฮนะเดี๋ยวพวกเราไปคิดเอา คิดเาเองไม่ได้กินหรอกกิเลสเราไปกินหมดเลย